วันนั้นทั้งหมดเป็นพระรหารอยู่แล้วนี่เป็นธรรมะสำหรับผู้ที่จะออกไปประกาศธรรมะพวกเราคนไหนที่เป็นนักเผยแร่ธรรมะในนิยะนะมีหลายทีมหลายกลุ่มเราต้องไปลองศึกษาวาทปฏติโมดกดูมีหลายท่อนนะไม่ใช่มีสัพพะปะสสะกรณนางอะไรไม่ใช่มีแค่บทเดียวมีหลายบท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 ยากคิดว่าจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมที่จะทําดีแต่ไม่คิดละชั่วไม่คิดจะถือศีลให้ดีในตอนะไ ร, ไรคิดว่าทําดีไปเรื่อยนั่งสมาธิไปเรื่อยเกิเลสนะั้นไม่ต้องขัดเกลาภาวนาไปเรื่อยทําสมถะทำวิปัสสนาไปเรื่อยกิเลสหยาบหยาเพื่อยังครอบงําอยู่่งกายวัจจาไม่เรียบร้อย เรหวังว่าจะบรรลุมรรผลบรรู้ยากนะยังปฏิบัตินะต้องดูสํารวจตัวเองเลยการกระทบาบาปอกุศลใดๆยังทําอยู่ทนะ่นพูดถึงการทําบาปมันไม่ใช่เรื่องอกุศลในจิตอย่างเดียวออกมาทางกายทางวาจาด้วยงั้นเราต้องสํารวจตัวเองอะไรที่ยังน่าเกลียดอยู่เราสํารวจตัวเองรู้ด้วยตัวเองอย่างบางคน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 ไม่ทุเดนินดูลายเลยนะเฉยๆมันอิ่มอกอิ่มใจไม่หิวงั้นอย่างเราเป็นฆราวาสเราถือศีลแปดนั่นเราก็ฝึกเนคขัมมะบา ร, รมีของเรานะไปประพฤติพรนะหมจรรย์เนี่ยก็ฝึกเนคขัมมะบา ร, รมีเราไม่กินข้าวเย็นนะไหนะก็คือไม่ติดในรถใจมันจะคิดถึงก็ข่มใจไว้ไม่เอาอนะไรเงี้ยมีการฝึกเรานอนบนที่นอนนะ